ปัญญาพระวินัยนักธรรมชั้นตรีมวนพิศิษฐามโดยพระอาจารย์บุญมีจันทรูประมงนักเรียนสาธมนิสสุขทุกท่านที่กําลังศึกษานักธรรมชั้นตรีในวันนี้เราก็มาเรียนนักธรรมชั้นตรีวิชาพระวินัยต่อจากครั้งที่แล้วคือวันนี้เราเรียนขึ้นต้นด้วยสัานวะทคีเจ็ด ันในสัพพนวัตที่เจ็ดนี้ก็มีทั้งหมดสิกสิขาบทด้วยกันก็คือหนึ่งพิสุเร่งฆ่าสัตว์เดรัจฉานต้องป่าจิตตีสองพิสุรู้อยู่ว่าน้ำหนึ่ตัวสัตว์บริโภคน้ำนั้นต้องป่าจิตตีสามพิสุรู้อยู่ว่าอธิกรนี้สงฆ์ทำแล้วโดยชอบเลิกถอนเสียกลับทำใหม่ต้องปาจิตตีสี่พิสุรู้อยู่แรงบวกติดอาบัตทั่วหยาบของพิสุอื่นต้องปาจิตตี ข้าพิสูรรู้อยู่เป็นอุปชัยยะอุปสมบทคุล บ, บทผู้มีอายุย่อนกว่ายี่สิบปีต้องปาจิตตีหกพิสูรรู้อยู่ชวนพ่อค้าผู้ซ่อนภาษีเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องป่าจิตตีเจ็ดพิสูุชวนผู้หญิงเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องป่าจิตตีแปดพิสูกรกล่าวคัดค้านธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพิสูรอืน่นห้ามไม่ฟังสองตรวจประการข้อความ น, นั้นจบต้องป่าจิตตี เก้าภิกษุครบภิกษุเช่นนั้นคือร่วมกินก็ดีร่วมอุโบสถสังฆกรรมก็ดีร่วมนอนก็ดีต้องป่าจิตติและศิษย์ภิกษุเกลี้ยกล่อมสมณเณรที่ภิกษุอื่นให้ขิมหายแล้วอเพราะโทษที่กล่าวคัดค้านธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้อุปถากก็ดีร่วมกินก็ดีร่วมนอนก็ดีอต้องป่าจิตติแลทีนี้เราก็มาออเรียนกันโดยอธิบาย ความเข้าใจในแต่ละสิขาบทแต่ละสิขาบทต่อไปแต่สิขาบทที่หนึ่งในสัปานาวัตนั้นที่ว่าพิสุกแกล้งฆ่าสัตว์เดรฉานต้องปาจะตีมีคําว่าฆ่าสัตว์เบรฉานสัตว์เบรฉานนั้นก็เป็นสัตว์ที่ไปทางขวางอถ้าจะพูดจึงก็คือขวางต่อมาผลนิทานนั่นเองสิสัตว์เบรฉานที่ว่าเนี่ยเอาหมายเอาสัตว์ประเภท ไหนเดระฉานประเภทไหนจึงต้องบาดเจ็บตีท่านอธิบายว่าสเดระฉานนั้นหนายเอาสเดระฉานทั้งชนิดใหญ่และชนิดเล็กทุกจําพวกทุกส่กแกล้งฆ่าสเดระฉานเหล่านั้นให้ตายให้ตายต้องต้องปาดเจ็บตีนะหมายถึงตายน ะ, ะถ้าหากว่าฆ่าไม่ตายฆ่าให้ได้รับบาเดเจ็บเฉพาะสเดระฉานนี่ก็เป็นอบัตบลดลงมาเป็นอบัตบทุกกฎ แต่ถ้าฆ่าให้ตายก็เป็นอบัาดป่าจิตตีและก็มีอยู่สัตว์ในฉาญประเภทหนึ่งที่เอฆ่าให้ตายแต่เป็นระบาดสูงกว่าป่าจิตตีอันนี้ก็ อ, อธิบายไว้ในสังแห่งปรารชิกศิษฐาบทนั้นอท่านอธิบายไว้การฆ่าสัตว์ในฉาญที่มีฤทธิ์เช่นฆ่าสัตว์านาศในฉาญที่เป็นนาศพวกที่มีฤทธิ์แปลงกายเป็นมนุษย์ได้ อันนั้นถ้าข้าสเดลิรชานจำพวกนั้นท่านบอกว่าเป็นตุลใจอ่าสเดลิรชานนอกจากนั้นทั่วไปจะเป็นสเดลิรชานชนิดใหญ่ชนิดเล็กก็ตามก็เป็นมัดถุแห่งอบัวบปาจิตตีทั้งหมดอ่าจะเป็นสเดลิรชานที่มีคนหรือไม่มีคนก็ตามนะจะเป็นยุงหรือจะเป็นหนูหรือจะเป็นแมวหรือจะแมวอะไรก็แล้วแต่ข้าเป็นปาจิตตีทั้งนั้นเดี๋ยวบางท่านก็อาจจะคิดว่าค่าสเดลิรชานเล็กๆเนี่ยจะไม่เป็นอบัตบเป็นทั้งนั้นเลย เนี่ยปรับอบัตตปลาจิตติทั้งนั้นเลยอยู่ในสิข่ขาบทที่หนึ่งนะก็มีคําว่ารู้อยู่แร้งฆ่าอยู่นั้นสีข่ขาบที้เป็นเจติตตกะคือเจตนาฆ่าเป็นอบัติถ้าไม่มีเจตนาคือไม่ตั้งใจจะฆ่าเกิดเดินไปเหยียบเข้าหรือทําอะไรตกผูกตัเดเอจสารเหล่านั้นตายอันนี้ไม่เป็นอบัตถเพราะไม่มีเจตนานั้นสีข่ขาบทนี้มีเป็นเจิตตก ะ, ะเมื่อเจตนาถึงต้องไม่เจตนาไม่ต้อง สิขาบทที่สองที่ว่าพิสุรู้อยู่ว่าน้ํามีตัวสัตว์บริโภคน้ํานั้นต้องปราศิตีอันนี้หมายถึงน้ําอที่ทั่วๆไปมีตัวสัตว์นะตัวสัตว์ลูกน้ําหรืออะไรที่มันอยู่ในน้ําตัวทีๆๆๆๆๆ่จิ๊บจิ๊บจิ๊บิ๊บอ่ในน้ำนะพิสรู้อยู่ว่าน้ํามันมีตัวสัตว์อยู่ในนั้นเอามาบริโภคคําว่าบริโภคในที่นี้ท่านอธิบายว่าดื่มกินก็ดีตักอาบก็ดี ใช้สอยอย่างอื่นก็มีนับว่าเป็นการบริโภคทั้งสิ้นฉะนั้นเมื่อเราเห็นน้ํามัมีสัวสัตว์อยู่ในน้ําจะเอามากินจะามาอาบหรือเอาไปใช้สอยตกตัดลดต้นไม้หรือเอาไปล้างชามล้างจานอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นปาจิ๊ดจีทั้งสิ้นฉะนั้นก็ถ้าเห็นจะทํำยังไงถ้ารู้อยู่ก็ไม่ต้องเอามาใช้หรือเอาน้ําเอาสัตว์ ที่มันมีอยู่ในน้ํามันจะปล่อยในน้ําตามเดิมสนะักให้มันพ้นไปอันนี้ก็ไม่เป็นอบัับเพราะว่าสัตว์ที่มันต้องอยู่ในน้ําอยู่บนบกไม่ได้เอาไปรดหญ้าหรือไปทําอะไรอย่างอื่นมันก็คงไม่ได้ไตายดังนั้นก็ทางที่ดีก็เมื่อเห็นว่ามีสัตว์อยู่ในน้ําตัวน้ําลูกน้ําอยู่เราก็ไม่ควงเอามาดื่มเอามาอาบเอามาใช้สอยก็ไม่เป็นอบัติถ้าเราเอามาใช้สอยหรือเอามาทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่พ้นจากอาบดับป่าจีตี อันนี้ palm, ข้อนี้ก็รู้อยู่อยู่อหไรคือมีเจตนาจึงต้องอาบัติถ้าไม่ม <wygląda S 1> ีเจตนาไม่ต้องที Dial ่ етров, มันน้ำมีตัวสัตว์แต่เราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามีตัวสัตว์เราก็เอามาอาบเอามาตักอ er. ่าบ <Okay. S 1> ตักล้างหรือตักรดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ไม่เป็นอาบัติเพราะว่าไม่มีเจตนาในการที่จะอฆ่าส <Poss keit. S 1> ัตว์ท <take> ี่อยู่ในน้ํานั้นนะถ้าไม่มีเจตนาไม่ต้องอาบัติในสิขาบทนี้อ่ต่อไปสิขาบทที่สามว่าที่รู้อยู่ว่าอธิกรณ์นี้สงได้ทํา หรือทำแล้วโดยชอบเลอกถอนเสียกลับทําใหม่ต้องปฏิตรีนี่คําว่าอาธิกรนั้นคืออะไรอธิกรนั้นก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจําต้องจัดต้องทําเรียกว่าอาธิกรคือพูดง่ายๆอาธิกรคือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องจัดต้องทําให้สําเร็จนะนี่อธิกรที่กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนานั้นเมื่อว่าตามอาธิกรารณ์สมณอธิการ อ, า ธ, รอาธิกรซึ่งมีอยู่ตอนท้าย ในนวกโกวาทนี้เขาบอกว่ามีสี่ระการคือวิวาตาธิกรอนหนึ่งอนุวานตาธีกรอนหนึ่งอาปตาธิกรอนหนึ่งคิดญาที่ก่อนวิว า, าทาธิกรอนนั้นหมายถึงการวิวาดทะเลาะกันในเรื่องการปราพระธรรมวินยัยเป็นเหตุนะเช่นเถียงกันว่านี่เป็นวินยัยนี่ไม่เป็นวินัยนี่เป็นธรรมนี่ไม่เป็นธรรมอนี่สิ่งสถาคตบัญญัติไว้นี่สิ่งสถาคตไม่ได้บัญญัติไว้นี่เเป็นพาสิท ที่พระองค์ทรงตรัดไว้นี่ไม่เป็นปาสิทธ์ของพระองค์เอที่พระองค์ทรงมันตรัสไว้นี่พระองค์เคยประพฤติมานี่พระองค์ไม่เคยประพฤติมาหรือนี่เป็นอัมบัตนี่ไม่เป็นอัมบัตนี่เป็นอบัตเบานี่เป็นอัมบัตหนักนี่เป็นอัมบัตชั่วหยาบนี่เป็นอบัตไม่ชั่วหยาบนี่เป็นอัมบัตมีส่วนเดือนี่เป็นอัมบัตไม่มีส่วนเหลือคือเอาเรื่องของธรรมวินัยมาเป็นเขตทะเลาะวิวาดกันเขาเรียกวิวาทะที่ก่อนเรื่องเกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทําให้สําเร็็จกกคืออต้้งแไข ในการที่จะทําให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาส่วนอนุวานษาธิกรอนนั้นเป็นเรื่องเกิดขึ้นจากการโจดการกล่าวหากันด้วยการที่ต้องอาบัติจึงมากล่าวหากันว่าองค์นั้นเป็นอาบัตินั้นองค์นั้นเป็นอาบัตินี้ทํำผิดวินัยที่ข้าบ่นอะไรก็กล่าวหาโจดหากันในเรื่องอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นอนุวานษาธิกรอนก็จําต้องได้รับการวินิจฉัยจําต้องในรับการแก้ไขด้วยอำนาจของบุคคลหรืออำนาจของสงตามสมควรแก่เรื่องที่เกิดขึ้น ส่วนอาปัตหาทิกรซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาบัติหมายเรื่องการต้องอาบัตเมื่อพิสูจใดต้องอาบัตผู้นั้นที่ว่ามีอรัพยกรติดตัวก็จําเป็นจะต้องจัดทําให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาได้เทนบัตที่เป็นละหุการบัตคืออาบัตเบาตั้งแต่อาบัตตทุนัดใจไปตีไปเชิญสัญญาทุกกฎทุกพาสิทธ์ต้องแล้วก็ชื่อว่ามีอธิกรติดแล้วเมื่อมีอธิกรก็แสดงว่าเรื่องมันเกิดขึ้นอยู่แล้วจะทํายังไงจึงจะบริสุทธิ์ตามหลักก็คือต้องแสดง แสดงต่อหน้าสงหน้าคณะหรือหน้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ได้อันติกรณ์นั้นก็เป็นอันมาแได้ระ ง, งับไปแล้วแต่ว่าถ้าอัปปัตติกรนั้นเป็นอาบัติที่หนักขึ้นกว่าอาบัติทุเลจัยขึ้น่าเช่นอาบัติสังขาริเสษยอย่างเงี้ยถ้าหากว่ามีอันตริกรชนิดนี้เกิดขึ้นจะจําต้องระ ง, งับด้วยวิธีการใช้อํานาจสงถ้าว่าใช้อํานาจสงก็คือสงเป็นใหญ่ในการที่จะระ ง, งับอัติกรณ์นั้นสงเป็นใหญ่ก็คือการให้สงนั้นลงโทษ ด, ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่ง เรียกแต่ไม่อยู่ปริวารส ก, กรรมประพฤติมานั้ตามกําหนดเวลาในทางพระวินัยได้กําหนดไว้อย่างไร เ, เมื่อประพฤติปฏิบัติตามนั้นถูกต้องแล้วก็เป็นอันว่า อ, อได้ชําระอาธิกรณ์หรือว่าอย่างอาธิกรณ์นั้นให้ระงับไปได้เนี่ยอันนี้วิธีระรับอิกรณ์เหล่านั้นส่วนกิจจาริกรนั้นเป็นกิจที่สมเจรึงทําให้สําเร็จอกิจที่สมเจริญทำให้สำเร็จก็มีอยู่หลายอย่างเช่นมากิยในการอุปสมบท แเมื่อมีผู้มีสถัทาในการที่จะอุปสมบทสงฆ์จะต้องจัดการให้สําเร็จเรียบร้อยไปด้วยอํานาจของสงฆ์ตามสมควรเห็นในปัจจนานารบทจะต้องใช้สงฆ์เท่าไรหร่ให้รูปขึ้นไปั้ามันในมจัจจิมาจารบทในที่เจริญแล้วต้องเสด็รูปขึ้นไปแล้วก็จะทําการอุปสมบทให้สําเร็จร่วมไปทีนี้อภิกรดังกล่าวทั้งสี่ประการนั้นอสงฆ์ได้ทําถูกต้องแล้วชอบด้วยพระธรรมวินัยแล้วเกิดมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอไม่พอใจหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะ ทำใหม่กลับทำใหม่บอกไม่เอาแต่อันนี้ไม่เอาทำใหม่อย่างนี้ท่านปรับอบัติปาจิตตินะคือรื้ออติกรที่สงธรรมผูกต้องชอบแล้วนั้นมาทำใหม่เป็นป่าจิตติก็เว้นไว้แต่เข้าใจว่าสงธรรมไม่ถูกแล้วทำใหม่อันนี้ไม่เป็นอบัติคือคือเห็นว่าเอ๊ะมันไม่ถูกต้องทำนี้มันไม่ถูกต้องไม่ถูกระเบียบไม่ถูกแผนผู้ินในควรจะทำใหม่อันนั้นไม่เป็นไไม่ปรับบัติที่ปรับอวบัตินั้นก็หมายถึงว่าเห็นถูกต้องแล้ว แต่กลับไปทำใหม่อันนั้นจึงเป็นเรื่องที่อจะต้องระมัดระวังเหมือนกันนะอันนี้สิกขาบทที่สามนะต่อไปสิกขาบทที่สี่บอกพิสุรู้อยู่กล้องปกปิดอบัวบชั่วยากของพิสุอื่นต้องป่าจิตติอวบชั่วยากนั้นไอ้ในอบัวบอะไรออบัชั่วยาบนั้นในคำผีวิพังท่านแกว่าได้แก่อบัวบปาริกสี่กับสังขารทิเศษสิบสามแต่ว่าในอัตตะขาท่านบอกว่า ได้แก่อวบสังการเสด็อย่างเดียวนี่เรียกว่าอวบชั่วยาหรือ่งองไรก็ตามซึ่งมีอยู่ในหลายๆแห่งก็ยอมรับตามคำตรีวิถังว่าอาได้แก่ปาริชิกสี่สงการเสเ็สิบสามนั่นเป็นอวบชั่วยาเพราะมีโทษหนักมีโทษมากแล้วก็เป็นเรื่องหยาบคายอยู่มากมายทีเดียวเหมือนกันนั้นฟิสุใดนะต้องอวบเห็นฟิสุใดต้องอวบแล้วก็แกล้งนะแกล้งปกปิดเสียไม่บอกใคร นะไม่บอกผู้อื่นต้องความยินดีเนีเรียกว่ารู้อยู่ผู้ี่สูรรูปนี้ต้องอภัตตปฏิทีศหรือต้องอัตต์กงกาศิเศแต่ว่าปกปิดไว้ไม่บอกให้สงรู้ธรรมดาต้องบอกให้สงรู้ว่าองค์เนี้ยเป็นอันนั้นเป็นอย่างนั้นนะไม่ควรที่จะอให้ปล่อยให้อยู่อย่างนี้ต้องแก้ไขอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องบอกถ้าไม่บอกปกปิดไว้เป็นเป็นปาริสีนะไม่คําว่าบอกอะไรชนิดไม่ได้ไหมายถึงบอกคารหัสนะบอกสงรูด้วยกันบอกพิสูรด้วยกัน คำว่าบอกอบอกคาราหัดนี่มันมีอยู่ในสิกขาบทอื่นซึ่งมีอยู่ในมุสาวาทวัตที่ว่าอที่สูบอกอ ბ ัตช่วยยาเปียนุปสัมบันต้องไปหรือเว้นไม้ได้สมมุติซึ่งมีอยู่ในสิขาบทที่เก้าแห่งมุสาวาทวัตซึ่งเราเรียนผ่านกันมาแล้วนั้นอันนั้นอสมมุติให้ที่สูรุปใดรุปหนึ่งทรงสมมติให้ได้บอกคารวาตที่ที่ว่าเชื่อใจได้เช่นบอกชายยกหรือขนวัดคนใดคนหนึ่งว่าองค์เนี้ย ประพฤติมิตนมินามอย่างไรให้บอกได้แต่ไม่ได้บอกทั่วไปนะอันนี้ต้องได้รับสมมติจากสงฆ์เองออจึงจะบอกได้แต่ในที่นี้ในสิกขาบทนี้นั้นไม่ได้หมายถึงการบอกคารวะแต่ให้บอกทพิจุด้วยกันอการบอกนี้ก็ก็มีอยู่ข้ อ, อมีอะไรอะไรหลายๆอย่างที่ที่งจะเป็นอาบัติหรือไม่เป็นอาบัติเนี่ยท่านบอกว่าไม่ตั้งใจจะปิดแต่ไม่มีเหตุก็ไม่ได้บอกผู้ใดผู้หนึ่งไม่เป็นอาบัติคือไม่ได้คิดจะปิดหรอกแต่ว่ามัน มันจะหาเรื่องหรือหาโอกาสในการที่จะบอกนั้นบอกไม่ได้ก็ก็เลยยังไม่บอกอย่างนี้ก็ไม่ใื่ว่าเป็นการปิดหรือถ้าคิดเห็นว่าบอกไปไปแล้วผลจะร้ายกว่านื่งเสียแล้วไม่บอกในคำพิธีที่ทางท่านก็อนุญาตให้ในเมื่อแพ่งถึงเจตนาก็หวังจะป้องกันผลร้ายกว่าต่างหากไม่จัดว่าเป็นการปิดคือคือบางบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่บอกมันก็เกิดโทษคืออันตรายแก่ตนเหมือนกั น, นถ้าจะบอกไปแล้วเดี๋ยวก็เกิด อันตรายหรือเกิดองค์นั้นรู้เข้าไม่พอใจก็อาจจะเป็นผลร้ายแก่แก่ผลกว่าแก่กว่าผลดีก็อาจจะเป็นได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการปกปิดฉะนั้นการอันนี้ก็ต้องดูความเหมาะเหมาะความควรเพียงใดแค่ไหนอย่างไรในการที่เราจะบอกอบัตช่วยหยาบของผิ้ศรอืน่นเพื่อให้สงฆ์จะได้ช่วยกันเพราะตามหลักนั้นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องจะต้องแก้ไขเมื่อมีการต้องอบัตท่า น, นบอกว่าอประการที่หนึ่งเป็นหน้าที่ของผิ้ศรัทผู้ต้องอบัตนั้นจะต้องแก้ไขหาวิธีแก้ไขด้วยตนเอง ประกานที่สองเป็นหน้าที่ของอผิ้สืผู้พบเห็นจะต้องตักเตือนด้วยเมตตาประกานที่สามสงฆ์จะต้องทําตามสังวรนเกศธรรมวินัยนี่ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องช่วยกันัน้นออการที่จะกปกติหรือไม่เอาใจใส่ในการที่จะอชาระสักสารสาิงไม่ดีไม่งามนั้นก็อันนี้ก็เป็นการไม่ควรเหมือนกันฉะนั้นก็จะต้องเอมื่อมีเห็นผู้ในผู้หนึ่งที่ต้องอาบัติหรือเป็นอาบัติที่ค่อนข้างจะหนักแล้วก็ช่วย อบอกที่สุบอกสงบอกเจ้า ว, วาดก็ได้สปัจจุบันนี้ก็มีเจ้าวาดเป็นผู้แทนสงอยู่ก็จะเป็นเหตุให้เกิดศาสนาของเรานั้นบริสุทธิ์ยุติธรรมยิ่ขึ้นตามสมควรแต่ต่อไปสิ่ารบ ท, ที่ห้าว่าที่สุรู้อยู่เป็นอุปัญชายอุปสมบทกุลบุตรผู้มีอายุย้อนกว่ายีสิบปีต้องป่าจิตตีอันนี้อการอุปสมบทในเรื่องนี้ก็หมายหมายถึงว่าที่สุผู้เป็นอุปัญชัยนี่รู้อยู่เนะี่ยเข้า ม, มารู้อยู่ก็หมายถึงว่ารู้อยู่ว่า ปุรบุตรที่จะอุปสมบทนั้นอายุไม่ถึงยี่สิบปีย้อนกว่ายีสบปีจะเป็นสิบเก้าสิบแปดสิเจ็ดก็แล้วแต่แต่ในต้นบรญยตินิทานต้นบร ญ, ญัตินั้นเป็นอายุสิบเจ็ดปีเท่านั้นเองนะงนั้นย้อนกว่ายี่สิบปีเนี่ยผู้ที่เป็นอุปชัยยะและก็พิสูผู้เป็นปุณณะคณะปุรุรกะคือผู้นั่งปลบด้วยเนี่รู้อยู่นะเข้าประชมุมยังบุคคลผู้มีอายุย้อนกว่ายีสิบปีให้อุปสมบทอุปชัยยะนั้นต้องเป็นป่าเจตีคือเป็นระบาดป่าเจตี ภิกษุนอกจากนั้นคือภิกษุผู้เป็นคณะปูรการที่นั่งปลกนั้นเป็นอวัตทุกโกรบุคคลผู้อุปสมบทให้อคือผู้อุปสมบทนั้นไม่เป็นภิกษุก็ถือว่าเป็นสัมมณีตามเดิมนั่นก็หมายความว่าอุปัชฌายะผู้เป็นเจ้าพี่เจ้าการในการนำเข้าบวชนั้นเป็นป่าชิตีคณะทั้งหมดนอกจากอุปัชายะเป็นเป็นทุกกรส่วนผู้ที่ถูกบวชนั้นไม่เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นแค่สัมเณีเท่านั้นเอง ทีการนับอายุมันเขานับเป็นยังไงตามที่ในบอกว่านับตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นต้นมานะนับตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นต้นมาจนครบน่ะยี่สิบปีบริบูรณ์เฮ้การนับปฏิสนธินี่ก็การปฏิสนธิอยู่ในครันของมารดานี้ก็ส่วนใหญ่โดยทั่วไปแล้วก็จะอยู่ประมาณแปดเดือนเก้าเดือนตามกว่านั้นก็คงจะไม่รอดน่ะแปดเดือนเก้าเดือนหรือสิบเดือนมีสิบเดือนมันมีน้อยแต่แปดเก้าเนี่ดีป็ส่วนใหญ่ ก็นับเอาถ้าหกเดือนก็ยังดีในคันของผู้ที่ อ, อยู่ในคานของมารดาเนี่ยก็ต้องนับตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นต้นมาให้ได้คร บ, บยี่สิบปีบวชบุญชื่อว่าอา่าครบยี่สิบปีนะซึงจะบวชอุปสมบทเป็นพิสุภาวะในพระพุทธศาสนาได้แต่ถ้าหากว่าอายุยังไม่ถึงรู้อยู่แล้วก็อุปสมบททาการอุปสมบทนั้นอุปชัยยะก็เป็นปายสิตีนอกนั้นเป็นทุกดผู้อุปสมบทก็อไม่เป็นพิสุในพระพุทธศาสนา นะไม่เป็นพิสุในพระพุทธศาสนาครนี้ถ้าหากว่าอุปัชายะกับพิสุผู้นั่งคณะบุรุษกะไม่รู้ไม่รู้จะปรับอบัดยังไงไม่รู้นี่ไม่เป็นอบัดแต่ว่าผู้ที่ถูกบวชไม่เป็นพิสุนะไม่เป็นนะเพราะว่าในสี่ขาบทนี้ก็มารู้อยู่ก็แสดงถึงจิตสกิจตะกะคือมีเจตนาเมื่อไม่เจตนาขึ้นับผิดนับพาดไปก็ถึงไม่เป็นอบมัดแต่ว่าผู้บวชไม่เป็นพิสุในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เพิ่งจำไว้ อแล้วก็ควรที่จะจําอย่างหนึ่งก็คือว่าสิขาบทนี้คือสิขาบทที่อ่าสัปนาวาให้จําสิขาบทให้แม่นเพราะว่าเรื่องที่ใด น, นั้นต้องจําให้แม่นในด้านสิขาบทเโดยเฉพาสิขาบทที่สําคัญทั้งหมดต้องจําให้แม่นเลยทีเดียวถ้าผู้ใดสวดปฏิโมกได้ก็ผู้นั้นก็มีเอภาษีเหนือ ก, กว่าเขาเรียกว่าจําได้แม่นเพราะมันสวดปฏิโมกได้เราจะนึกออกว่าในสิขาบทแต่ละสิขาบทนั้นเป็นอย่างไรและก็แปลบาลีได้บ้างตา่างสมควร อันนี้เป็นสิ่ขาบ ท, ที่5้าอาต่อไปสิขททส่ขาบ ท, ที่หกสิ่ขาบ ท, ที่หกก็ความว่าพิสูรรู้อยู่ชวนพ่อขาผู้ซ่อนภาสีเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้อง่าจิตีกิริยาที่เกี่ยวกับการชักชวนนี่เป็นยังไงในคำี่ฟังแกว่าหมายถึงโจรผู้ทำจรุกรรมมาหยกหยกก็ดีหรือไม่ได้ทำดังนั้นก็ดีเดินทางร่วมกันนะ ไม่พ้นโทษอันจะเป็นมีเหมือนกันนี่ระยะที่ว่าพ่อค้าเนี่ยเดินทางที่ระยะบ้านหนึ่งนีคําว่าระยะบ้านหนึ่งมันแค่ไหนระยะบ้านหนึ่งนั้นอท่านกําหนดว่าไก่บินถึงไก่เนี่ยบินถึงครั้งเดียวนะไม่ได้บินหลายครั้งบินไปจะตกเพราะไก่มันบินไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงเท่า ก, กับนกอะไรด้วยสักทั่วไปไก่บินไอ้ชั่วไก่บินถึงเนี่ยเรียกว่าระยะบ้านหนึ่งจะไ ก, กลแค่ไหนแล้วแต่ไก่บินบินได้ไกลหรือใกล้ แต่ว่าในที่คนอยู่คับคั่งเนี่ยก็น่าจะต้องกําหนดตามเครื่องกําหนดที่มีอยู่โดยปกติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกําหนดเอาตามจาาเจ้าของบ้านเป็นต้นอะไรเนี่ยนะถ้าหาว่าเกิดบ้านที่มีอยู่มากมายเช่นในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะจะกํากกหนดยังไงถ้ากําหนดเอากรุงเทพเป็นบ้านหนึ่งก็ไกลกันมากมายก็บอกว่ากําหนดเอาตามบ้านของแต่ละคนแต่ละคนเป็นเขตเนี่เรียกว่าบ้านหนึ่งบ้านหนึ่ง แต่งตาว่าบ้านที่อื่นนั้นกำหนดไก่บินตกที่ว่าที่ระยะบ้านหนึ่งเนี่ยส่วนในป่านั้นกําหนดเอากึ่งโยดเป็นเขตนะชื่ระยะบ้านหนึ่งหมายถึงกึ่งโยดถ้าเอาเขตป่าเป็นเขตนี้ไม่หมายถึงเขตเอ่อที่ว่าบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งคือชั่วระยะไก่บินตกถ้าในบ้านนะถ้าที่เจริญกําหนดเอาเขตอย่างใดอย่างหนึ่งของบ้านแต่ละบ้านถ้าในป่ากําหนดเอากึ่งโยด นี่เป็นเขตคําว่าบ้านหนึ่งในที่นี้ดังนั้นพี่สุรู้อยู่ชักชวนพ่อค้าผู้ซ่อนภาษีเนี่ยจะเป็นซ่อนภาษีในเรื่องใดก็แล้วแต่ก็ชักชวนเดินทางไปด้วยกันนาสิ้นระยะบ้านหนึ่งนั้นพี่สุเป็นป่าจจตีนะเอ่อที่ที่กล่าวนี้ไม่ได้หมายความว่าพี่สุซ่อนภาษีด้วยนะพี่สุซ่อนภาษีด้วยนั้นมีมีความผิดตามสีขาบทอื่นซึ่งมีอยู่ในปา่าทิ่สีขาบท์อ่าเช่นในสีขาบทเอ่าที่ ที่สองแห่งปาราเซทิกขาบทนั้นที่สุดอซ่อนสิ่งที่ควรแก่ภาษีให้เห็นแต่ไม่ให้เห็นหรือให้เห็นแต่เล็กน้อยเดินเอผ่านที่เก็บภาษีไปพ้นเขตนั้นที่สุนั้นต้องอวบถึงที่สุดนั้นอยู่ในสิขาบทที่สองแห่งแห่งแห่งปาราเซทิกขาบทอันนั้นที่สุซ่อนเอ ง, งเป็นปาราเซท์นะว่าเป็นอาหารสงกะถาตะอาหารไม่เรียกกันอีกในบทระบาดซึ่องอยู่ในสิขาบทนั้น แต่ในสิขาบทโหมสัพนวัตรนี้ไม่ใช่ที่สุ่นซ่อนแต่เป็นการชักชวนพ่อค้าที่ซ่อนภาษีต่างหากเดินทางด้วยกันอันนี้เป็นปาษิตีนะให้เคยให้ทปรึกษาอย่างนี้เดี๋ยวจะได้เข้าสเข้าใจสับสูนในข้ออื่นด้วย <c oughs> ต่อไปสิขาบทที่เจ็ดสิขาบทที่เจ็ดที่ว่าที่สุชักชวนหญิงเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องภาษีตีเอคําว่าหญิงในที่นี้ก็ก็ไม่ใช่ผู้ชายแั้วแหละนะ คืขอข้าใจง่ายๆผู้หญิงในที่นี้ก็คือเ อ, อผู้หญิงที่รู้เรียนศึาเป็นมนุษย์นะผู้หญิงมนุษย์ที่รู้เรียนศึาและก็อาบัติในสิขะบนนี้ก็เป็นสจิตตกาด้วย <c oughs> คือหมายาว่าเจตนาตั้งใจชวนผู้หญิงเดินทางไปด้วยกันสึ้นระยะบ้านหนึ่งนะสึ้นระยะบ้านหนึ่งเป็นป่าจิตตีและก็เ อ, อในที่นี้ก็ไม่ได้บอกว่ า, วาตัวต่อ ต, ตัวหรือหนึ่งต่อหนึ่งหรือสองต่อสองแต่ เพียงแต่ว่าชวนผู้หญิงเดินทางด้วยกันยังจะผู้หญิงจะกี่คนก็ก็มีความผิดเหมือนกันในสิกขาบทนี้เอต้นบัญญัติในสิกขาบทนี้นั้นก็ได้กล่าวถึงว่ามีสามีภรรยาเอาอยู่อครอบครัวนหนึ่งได้เกิดการทะเลาะ ก, กันเมื่อเกิดการทะเลาะ ก, กันก็ภรรยาได้หนีหนีไปหนีไปที่อื่นและก็ได้ติดตามที่สุไปด้วยคือหมายว่าเดินตามพระไปด้วย เดินตามพระไปในสามีเมื่อไม่เห็นภรรยาของตนก็จึงติดตามพอติดตามไปก็เห็นว่าภ ร, รรยาของตนงกำลังเดินอยู่กับพระก็เลยเข้าใจว่าพระเนี่พาภ ร, รรยาของตนไปก็เข้าทุบตีพระด้วยประการต่างๆาผู้ที่เป็นภรรยาเห็นสามีตบตีพระด้วยประการต่างๆแล้วก็กลัวบาปก็จึงร้องบอกให สามีในทราบวา่าพระไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยท่านเดินตังหาของท่านไปนะฮะแล้วก็อะไรที่แจงให้สามีได้เข้าใจอย่าไปทําแกทําอย่างนั้นเลยจึง ไ, ได้เกิดความเข้าใจนะจึงได้เกิดความเข้าใจที่จริงก็ผู้หญิงก็ไปแต่ผู้หญิงใช่มันเกิดเดินทางไปทางเดียวกันเท่านั้นเองทีนี้เมื่อทราบความถึงพระพุทธเจ้าในภายหลังก็จึงทรงบัญญัติว่าอ่าทิกสุนะชวนผู้หญิงเดินทางด้วยกันแม้ที่นระยะบ้านหนึ่งนี้ต้องเป็นปาจิตตีนะฮะคือว่าป้องกันไว้เดี๋ยวจะเกิดกล่าวหาในทางไม่ดีไม่งาม อาว่าพระนำภรรยาไปในทางไม่ดีไม่งามซึ่งก็เคยปรากฏเคยประสบมาเหมือนกันอ่าเคยได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันก็มึนอยู่เหมือนกันอย่างนี้ฉะนั้นก็ก็เป็นการป้องกันที่ดีพระที่จะเดินไปไหนมาไหนก็ต้องอ่าระมัดระวังพอสมควรในการที่จะต้องอเดินทางอย่างไรที่จะปลอดภยัยไม่ให้เกิดเอความหัวหมองเกิดขึ้นอแก่ตัวเราเองฉะนั้นการเดินทางก็ถ้าจะชักชวนใครต่อใครก็จะต้องมีผู้ชายเป็นเพื่อนไปด้วย ยิ่งจะดีจึงจะถูกต้องนะการเดินทางไปไหนมาไหนก็จะต้องมีผู้ชายไปด้วยฉนการเดินทางซึ่งระยะบ้านหนึ่งก็คือไก่บินตกดังที่กล่าวแล้วในสิขาบทก่อนอันนี้ก็เป็นสิขาบทที่เจดนะหมายถึงผู้หญิงที่รู้เรียงสาก็คือหมายว่าผู้รู้เรื่องกันแล้วนะในสิขาบทนี้ต่อไปสิขาบทที่8ว่าพิสุกล่าวคัดค้านพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพิกสุเอื่อห้ามไม่ฟังรสมควรประกาศข้อความนั้นจบต้องฝ่าจิตตี อวิธีห้ามและประสูตรประกาศนี้ก็เอได้กล่าวว่าหากจะมีผู้สูตอวดดีคัดค้านพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า<ม> ค, คือว่าพระธรรมพระวินัยนั้ไม่ถูกต้องอันเป็นเหตุให้เกิดการแก่งแย่งขึ้นในหมู่คณะเป็นหน้าที่ของผู้สูตทั้งหลายที่จะต้องห้ามปรามเพื่อละการนั้นเสียเอทําให้ทําโดยวิธีละมุนละม่อมไว้ก่อนอคือว่ากล่าวแนะนําตักเตือนกันก่อนถ้ายังขืนดื้อรั้น ก็ให้สมงสวดประกาศห้ามด้วยอา น, นันตของสงฆ์ถ้าไม่ฟังก็เรียกว่าให้เลิกจากการเข้าสมาคมเขาเรียกว่าอุกิตะโกอุกิตะโกหมายถึงว่ายกออกเสียจากพวกน่ะซ้าอุเคปฏิกรรมยกออกเสียจากพวกถ้าหากว่ายกออกเสียจากพวกห้ามคบห้ามสมคบด้วยประการต่างๆไม่ให้ใครมาคบด้วยหรือว่าไม่ให้ไม่ให้ร่วมกินร่วมนอนร่วมอะไรทั้งสิ้นเลยตั้งเกิดแกรพืชดีปฏิบัติชอบใหม่ก็สงฆ์ก็เรียกเข้าหมู่ได้เรียกว่าประกาศนะครับโทษ ให้เข้าสมาคมกับที่สุอื่นได้อีกัน้นที่สุที่กล่าวขัดข้านพระธรรมเจตนาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการเอกระทาที่ไม่ถูกต้องก็ทรงอนุญาตให้ที่สุให้สงนั้นทํากรรมด้วยวิธีการรูปประกาศห้ามนะรูปประกาศห้ามก็คือทําอุเคปริเยติกถ้าหาว่าไม่ฟังยิ่งก็ทำอุเคในกรรยกเสียจากพวกแล้วซึ่งก็เคยมีที่สุอริธาทิ่สุอริธาเป็นต้นบัญญัติที่มีความ ลิษาธทิฏฐิคือเห็นผิดในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนเ่ามีโทษไม่เห็นมีโทษจริงสอนว่ามีคุณไม่เห็นมีคุณจริงด้วยปรายการต่างๆใครห้ามก็ไม่เชี่วไม่ฟังก็จะต้องให้สงจัดการนะด้วยการทําอุเคธีกรรมประกาศห้ามไม่ให้ใครสมคบด้วยนี่เป็นถ้าหากว่าไม่ฟังก็เป็นฝ่ายจิตตีนในสิขาบทนี้แล้วเราไปสิขาบทที่เกว่าพิสูจคบกับพิสูจเช่นนั้นร่วมกินก็ดีร่วมนอนก็ดีร่วมมัวสวสังฆกรรมก็ดีต้องฝ่ายจิตตี กิริยาที่ครบในสี่ขาบทนี้ก็คือการครบด้วยการ อ, อาการสามประการเช่นว่าร่วมกินคือร่วมรับอา m ิ t ร, ร่วมอา m ิ t สมโพคเรียนธรรมเรียนธรรมสมโพคหรือร่วมอุโบสถภาวณาร่วมร่วมสักรรมก็เรียกว่าอยู่ร่วมเหมือกันหรร่วมนอนก็คือว่าเหยียดกายร่วมกันในกุฏิหรือในที่มีหลังคาเดียวกัน นั้นการร่วมสมคบในการร่วมกินร่วมนอนร่วมอะไรกันอยู่ในอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นป่าจิตตินะสําหรับภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงอุเคปในกรรมแล้วถ้าใครไปร่วมอุโบสถดสังนการร่วมกินร่วมนอนก็เป็นป่าจิตติในสิกขาบทนี้ก็เรื่องมาจากสิขาบทก่อนเหมือนกันก็เึงเข้าใจแต่ส่วนต่อไปสิขาบทที่สิอสิขาบทที่สิบนั้นบอกว่าอภิกษุเ ก, กลียดกล่มอมสามเณร ที่พิกุอื่นให้จิบหายแล้วเพราะโทษที่กล่าวคัดค้านธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้อุปถาก็ดีร่วมนอนก็ดีร่วมกินก็ดีต้องป่าจิตตีสมณเณรในที่นี้ก็เป็นเทว r u แหละสมณเณรก็คือผู้ที่ เ, เป็นเหล่ากของสมณนะมีการรักษาศีลสิบนะเรียกว่าสมณเณร อาสมมารณ์นนที่มีความเห็นผิดกล่าวขดข้านพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็มิได้นั้นเมื่อสมมเรณ์ได้มีวิจาทณิสติกล่าวขัดข้านพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจะให้สวดเหมือนพระสงฆ์นั้นทำไม่ได้เพราะว่าสมมเรณ์เป็นอนุปาตสัมบัตก็ทรงอนุญาตให้ภิกษุหรือสงฆ์ทำนาสนะเสียถ้าหากข้ามไม่ฟังคือทั้งแายก็ห้ามปรามถ้าหากว่าห้ามราปสมมเรณ์ไม่ฟัง เมื่อห้ามราไม่ฟังก็ให้ทำการนาสนะเสียคือให้จิบหายเสียเมื่อให้จิบหายเสียไม่ให้ใครครบด้วยไม่ให้ใครอะไรด้วยเนี่ยถ้าเกิดที่หลังแกกลับใจประพฤติดีปฏิบัติชอบอีกก็อันนี้ก็ให้ให้เรียกเข้าหมู่ได้แต่ว่าเมื่ อ, อยังไม่ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วที่สุรูปได้จะสงสาร เ, าเห็นว่าสมณะเไม่มีใครครบด้วยก็จะให้สมณเนยมอยด้วยให้อุปถากรับใช้ ด้วยประการต่างๆหรือให้เนรมานอนร่วมด้วยในกุฏิหรือว่าร่วมกินร่วมอะไรให้อาหารต่างๆก็ดีอันนี้เป็นเป็นความผิดนะพระสงฆ์ลงโทษให้เป็นอย่างอื่นไปแล้วให้ลนาสนาไปแล้วกลับมาเอามาเลี้ยงเอามาดูไว้ในท่านเป็นปรับแต่งิติเหมือนกันดังนั้นอ่าอันในสัพปะนวันตทั้งศึกษาราคาบทนี้ก็เอ่อพึงศึกษาให้เข้าใจแล้วก็นําไปใช้ในการที่จะเข้าสอบนะถามันต่อไป สำหรับวันนี้ในหลังเราก็หมดลงแล้วก็ขอความสุขสวัสดีจงรรมีแด่เพื่อนสาธมิตทุกทุกท่านทุกทคนเชิญสวัสดีครับท่านนาสาธรรมิตรวันนี้ก็มาพบกันอีกในคลองินในทั้งสามเส้นตรีแต่วันนี้เรามาเรียนลิ้นในในหมวดพระธรรมกวาสที่แปด อาสารมิกวัดที่แปดนี้มีทั้งหมดสิบสองสิขาบทติดกันอ่าสิบสองสิขาบทนั้นสิขาบทที่หนึ่งพิสุประพฤติอนาจารพิกสุอื่นตักเตือนพูดผัดเทียนว่ายังไม่ได้ถามท่านผู้รู้ก่อนข้าพเจ้าจับไม่ศึกษาในสิขาบทนี้ต้องปาจิตติอ่าธรรมดาพิสุผู้ศึกษายังไม่รู้สิใดควรจะรู้สิ่งนั้นควรไตถามไล่เลียงท่านผู้รู้ สองพิสุ อ, อื่นท่องปาติโมกข์อยู่พิสุแกล้งพูดให้เธอคลายอุตสาหะต้องปาจิตตีสามพิสุต้องอาบัตแล้วแกล้งพูดว่าข้าพเจ้าเพิ่งรู้เดียวนี้เองว่าข้อนี้มาในพระปาติโมกข์ถ้าพิสุอื่นรู้อยู่ว่าเธอเคยรู้มาก่อนแล้วแต่แกล้งพูดกันคำว่าเพิ่งตรวจประกาศข้อความนั้น เมื่อสองสวดประกาศแล้วแกล้งทําให้รู้อีกต้องปาจิตตีเตทิสุกรอดให้ประหารแก่ทิสุอื่นต้องปาจิตตีห้าทิสุกรอดเนื้ อ, อมือเบิดให้ะหารแ่ทิสุอื่นต้องปาจิตตีหอทิสุจอด ฟ, ฟ้องทิสุอื่นด้วยอามัตสังฆาทิเศษไม่มีโมลต้องปาจิตตี เจ็ดที่สุกแล้วก่อความตำคาญให้เกิดแก่ที่สุอื่นต้องปาจิตตีแต่ที่สุวิวาดกันอยู่ที่สุไปแอรฟังความเพื่อจะได้รู้ว่าเขาว่าอะไรตนหรือพวกของตนต้องปาจิตตีเก้าที่สุให้ฉันทะคือความยอมให้ทำสังฆกรรมที่เป็นธรรมแล้วภายหลังกลับติเตียนสองผู้ทำกรรมนั้นต้องปาจิตตี สิบเมื่อสองกำลังประชุมการตัดสินข้อความข้อหนึ่งแอพิสูดใดอยู่ในที่ประชุมนั้นจะลีไปในขณะตัดสินข้อนั้นยังไม่เสร็จไม่ให้ฉันท่า ก, ก่อนลูกไปเสียต้องปาจิตติสิบเอ็ดพิสูพร้อมกับสงให้จีวรเป็นําเหน็จแกภิสูดรูปใดรูปหนึ่งแล้วภายหลังกลับติดเตียนภิสูอื่นว่า ให้เพราะเห็นแก่หน้ากันต้องปาจิตติและ 12, สิบสองิจุรู้อยู่ล้อมลาบที่เขาถวายคือล้อมลาบที่ทายกเขาตั้งใจจะถวายสงมาเพื่อบุคคลต้องปาจิตตินี่ทั้งหมดมี 12, สิบสองสุดขั้วเดียกันในสัทธรรมิฆวัคนี้มากกว่าวัตอื่นวรตอื่นนั้นมี เพียงสิบสิขาบทแต่ว่าวัดนี้มีถึงสิบสองสิขาบทด้วยกันเล่นแต่ละสิขาบทนั้นก็มีอธิบายอย่างไรอันนี้เราก็จะได้ศึกษาแต่ละสิขาบทแต่ละสิขาบ ท, าบทเพื่อความเข้าใจต่อไปอสิขาบทที่หนึ่งที่ว่าซิสุประพุตอนาจารย์ซิสุอื่นตักเตือนผู้ผัดเพี้ยนว่ายังไม่ได้ถามท่านผู้รู้ก่อนข้าพเจ้าจะไม่ศึกษาในสิขาบทนี้ต้องปลาจิตตี ธรรมดาผู้ศึกษายัางไม่รู้สิ่งใดควรจะรู้สิ่งนั้นควรไต่ถามไล่เลียงท่านผู้รู้ในข้อนี้วัตถุที่จะเป็นแห่งให้เป็นเหตุแห่งอาบัตินั้นท่านบอกว่าพระบัญญัตและก็ผู้ว่ากล่าวนั้นเป็นอุปสมบัต์ประกอบกันเป็นวัตถุแห่งแสบารจิตีคื อ, เ, อ, อเมื่อประพฤติอาจารย์อย่างใดอย่างหนึ่ง มีทิกษุอื่นมากล่าวมาตักมาเตือนแล้วก็ยังพูดผัดเพี้ยนอยู่ว่าถ้ายังไม่ถามท่านผู้รู้ก่อนจะไม่ศึกษาในสิขาบทนี้นั่นก็เป็นพุทธบัญญัตินะเป็นพระวินัยที่ทรงพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้และก็ผู้ที่มาดักเตือนนั้นเป็นทิกษูด้วยกันอย่างนี้ก็เป็นฝาจิตติถาไม่เชื่ยวฝ่านยะนี่ทำอื่นหมายถึงว่าสิ่งอื่น อันไม่ใช่บัญญัติแล้วก็ผู้ที่มาตักเตือนนั้นก็เป็นอนุปัฏฐานคือไม่ใช่จิตสุขแล้วก็ไม่ยอมรับฟังอันนั้นเป็นเป็นทุกข์กฎดมาเป็นทุกข์อาากอดดังนั้นอจะตักเตือนเพื่อความดีความงามอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นพุทธบัญญัติหรือจะเป็นธรรมะอย่างอื่นก็ควรที่จะเชื่อฟังถ้าหากว่าไม่เชื่อฟังหรือกล่าว ผัดเทียนด้วยประการต่างๆนั้นย่อมมีคทางให้ต้องอบับอายได้ถ้าเป็นพุทธบัญญตัติแล้วก็ผู้ฟังก็เป็น อ, อภิกษุผู้ผู้ตักเดือนก็เป็นภิกษุแล้วก็อันนี้เป็นเป็ป่าจิตตีนะถ้าไม่ฟังแต่ถ้าข้ารหัสารเขื่อนรูปสำบันมากล่าวตักเตือนแล้วคาตักเตือนนั้นก็อ่าไม่ใช่พุทธบัญญตัติอันนี้ก็ถ้าไม่เชื่อฟังก็เป็นบัตถุกกีในในข้อที่ห น, นึ่นะ ถือสิน้าบทที่สองปา้าพิสุถูกป้าติโมกอยู่พิสุกแกล้งพูดให้เธอคลายอุต ส, สาหะป้าจะตีคือหมายความว่าพิสุอื่นเนี่ยกำลังท่องปาติโมกปลาติโมกเนี่ก็เป็นอาเป็นพระวิ น, นัยที่พระสงฆ์จะต้องใช้สวดทุกกึ่งเดือน ทุกๆ ก, กึ่งเดือนเดือนละสองครั้งเรียกว่าเป็นสุปาติโมกซึ่งก็เป็นหัวข้อสําคัญเกี่ยวกับพระวินัยที่จะต้องใช้ปวดกันทุกๆกลืนเดือนทั้งในภรรษาและนอกพรรษาเราเป็นพระปฏิโมกหรือพิสูจน์กลังท่องปฏิโมกอยู่ถ้าหากว่ามีพิสูจนรูปใดรูปหนึ่งเห็นแล้วก็แกล้งพูดให้เธอคลายความอุตสาหะอ่าเห็นพูดว่าอ่าท่านจะท่องเอาไปทําไม ออกพรรษาแล้วเราก็จะต้องลาสิกขาตัดเป็นคารวะตามเดิมอย่างนี้เดี๋ยวพูดว่าจะ เ, เรียนไปเพื่ออะไรเอาไปประกอบอาชีพหรือทำมาหาธิปิอย่างอื่นก็ไม่ได้เราก็คงไม่ได้บวชอยู่ตลอดชีวิตอะไรสรัองนีอยคือไปพูดให้เขาเกิดความคลายอุตสาหะคล า, า, า, คล า, า, ายความขยันความหมั่นเพียรในการที่จะท่องอย่างนี้เป็นปาจิตตีถ้าไปพูดให้เขาเกิดความคลายอุตสาหาะทีนี้ เอ อ, อาจจะมีคําถามขึ้นมาว่าถ้าหากว่าเขากําลังท่องยินัยเช่นนวะโกวามีแล้วะโกวะเนี่ย อ, อทั้งเล่มนี้ก็มีแบ่งออกเป็นสประเภท เ, เป็นข้าวินัยหน้าฝ่ายหนึ่งแล้วก็เป็นธรรมวิภาคฝ่ายหนึ่งถ้าเกิดเขากําลังท่องนวะโกวะอยู่อย่างนี้ไปพูดไม่ก็เกิดความอุบยความอุตสาหะจะต้องอบัดอะไรหรือไม่อันนี้อันนี้ข้าวินัยก็เป็นข้าปฏิโมก ซึ่งวินิยที่มีอยู่ในนวกโกวา่าตน้ก็ เ, เป็นสิขาบทสองฝ่ายหนึ่งก็สองร้อยี่สิบเจ็ดสิขาบทซึ่งก็เป็นตัวพระปฏิโมกข์นั่นเองแต่อแปลมาเป็นภาษาไทยให้เราได้ศึกษาเข้าใจง่ายแั้นถ้าเกิดวิศรูปใดรูปหนึ่งกําลังท่องปฏิโมกข์อยู่เอต้องลนวกโกวาาฝ่ายที่เป็นพระวิริย์อยู่ไปพูดให้เกิดคลาความคลาอุตสาห้าขึ้นอย่างนี้ก็เป็นปาจิตติเหมือนกัน แต่ถ้าหาว่ากําลังท่องนวากวาฏในส่วนที่เป็นธรรมวิภาคอยู่แล้วก็ไปพูดให้เกิดความคลายอุตสาหะคือให้เกิดการคลายอุตสาหะความพยายามนั้นอันนี้ท่านบอกว่าเป็นทุกข์กฎเพราะอันนั้นไม่ใช่ฝ่ายที่เป็นพี่นัยหรือฝ่ายที่เป็นปฏิโมกแต่เป็นฝ่ายธรรมะซึ่งก็เป็นคํำสอนของพระุทธเจ้าเหมือนกันนั่นก็ท่านบอกว่าเป็นอวบทุกข์กฏ ลิเหตุที่ยกเว้นในที่สาบทนี้ก็คือไม่ปราศสนาที่จะแกล้งนะแต่พูดตามเหตุที่ปรากฏถึงไม่เป็นอบัตรคือเราไม่ได้แกล้งพูดให้เขาเกิดความความสหาหะค่อบางบางครัง้งบางอย่างอาจจะเราจะพูดเอ่อถึงเรื่องราวต่างๆบ้างแต่แกอาจจะเกิด เ, เกิดความเอ่อข้อถอยเกิดความอุตสาหะอีกจะเรื่องหนึ่งซึ่งเราพูดแต่ไม่มีเจตนาที่จะทำเช่นนั้น ไมไ่แกล้งพูดหรือไม่ไทําให้เกิดความคลามอุสาห์ในประการใดแต่ว่าผู้ท่องอาจจะเกิดเกิดเองกลายเองโดยที่ผู้พูดไม่ไดเจตนาเช่นนั้นอันนี้ก็บอกว่าไม่เจตนาบัตรก็ไม่มีเจตนาที่จะทําเช่นนั้นใ น, นสิขาบทที่สองต่อไปสิขาบทที่สาบอกว่าพิสุตองบัตรแล้วแกล้งพูดว่าข้าพ เ, เจ้ า, าเพิ่งรู้เดียวนี้เองว่าข้อนี้มาในข้าป ต, ติโมกข้าพิสุอื่นรู้อยู่ว่า เคยเคยรู้มาก่อนแล้วแต่แกล้งพูดกันเขาว่าเพื่งส่วนประกาศข้อความนั้นเมื่อสงส่วนประกาศแล้วแกล้งทําให้รู้อีกต้องฝ่ายกตีอ่าพิสูจนั้นต้องระดับตามมาตถถิที่ที่ทําแล้วเนี่ยจากพลเดือยหน้าไขสื่อไม่ได้คือจากพลเดือยหน้าในการแก้ตัวหรือกล่าว อยังได้ยังหนึ่งเําการแค่ตัวนั้นไม่ได้นั้นที่สูรผู้รู้เท่าทันเพิงสวดประกาศข้อความนั้นยกโทษอคือเพิ่มโทษอีกตั้งแต่สวดประกาศแล้วไปยังคืนทำไขสื่อแก้ตัวอยู่อีกก็ต้องป่าดิจิติจึงยาสวดประกาศยกโทษ ว, ว่าแจ้งทอหลังคือทําหลงการคติความาโมหะโลปนักกรรม ที่ทําเป็นว่าหลงไปทรือเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองเพ mm hmm. ื่อโมหาโรปนักกรรม mm hmm. คือการทําแกไม่สช่ผู้แกล้งทําหลงเพราะว่ายังไม่เคยฟังปฏิมโมกขิ จ, น า, จนาพิจนาลโดยด้วยเลยก็ดีหรือว่าเคยฟังขิจนาแต่ไม่ถึงสองสา ม, สามคราวก็ดีหรือไม่ปดนะ้เสนอที่อแกล้งทงําหลงไม่ใช่ผู้ที่สงจะซึงหลลงโมหาโรปนักกรรมอันนี้หมายความว่า พิสูจนที่ตรอมบำบัดแล้วก็เป็นผู้ที่แกล้งนะแกล้งแกล้งพูดเมื่อมีใครมาตักเตือนก็แกล้งพูดแต่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าอันนี้มีมาในรัฐปฏิมกขนะนั้นถ้าพิสูจนอื่นรู้ว่าพระองค์นี้หรือพิสูจนองค์นี้เนะี่ยเคยฟังปฏิมโมกขมาแล้วหรือเคยเรียนมาแล้วก็บอกว่าไม่รู้อันนี้ไม่ได้นะยจะต้องตรประกาศแล้วแกล้งทําเป็นไม่รู้นะ นั้นถ้าหากว่าส่วนประกาศแล้วยังไม่เชื่อฟังข้อความนั้นอีกก็ก็เป็นปาจิตตีนะเป็นป่าจิตตีแต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีความตั้งใจเช่นนั้นคือไม่เคยฟังพระธรรมมุกมันเลยหรือฟังบ้างแต่ก็ไม่พิสดานอะไรอย่างนี้หรือไม่มีความประสงค์ไในกานี้เจตแกล้งทําป็นหลวงอย่างนี้ท่านบอกว่าไม่เป็นอ า, าบัตในสิกขาบทนี้นี่นสิกขาบทที่สี่ ว่าพิสุกโกรธให้ประหารแก่พิสุอื่นต้องปาจิตติกิริยาที่ประหารนั้นการให้ประหารนั้นให้รูากายเรื่องของเรื่องรดากายหรือเรื่องของที่โยนไปจัดว่าให้ประหารทางนั้นคําว่าให้ประหารนั้นคือไม่ได้ไหมายค่าให้ตายอาจจะเป็นการตบนะเป็นการตบเป็นการตีอย่า ง, งัดอย่างหนึ่งร่างกาย เนะี่วความโกรธเนะี่วความไม่พอใจอะไรเนึงก็อาจจะตบหรืออาจจะตีหรืออาจจะชการือว่าของเล่งใบกายของเรื่นใบกายเนี่ยก็จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นไม้เขี้ยนอภวตีอ่อย่างนี้นะของเล่งใบกายหรือว่าโยนเมื่อยของแน่นั้นไปให้ถูกนะโยนไปกันหน่อยหรือ ขว้างไปโยนไปทิ้งไปให้ถูกอย่างนี้นะเป็นอบัตนะจัดว่าให้ประหารทางนั้นเป็นอบัตถ้าหากว่าให้ประหารแก่พิสุเลยก็เป็นวัตถุแห่งปาริสตีถ้าให้ประหารแก่ลูกสัษย์สามัญเ่อเป็นอบัตทุตกฏนะถ้าเราว่าให้ประหารแก่ปรับจําพวกเดรฉานก็เป็นวัตถุแห่งอบัตทุตกฏเช่นเดียวกัน ลักษณะแห่งอบัติในสิกขาบทนี้ท่านบอกว่าออบัตในสิกขาบทนี้เป็นสารนาจิกะคือใช้ผู้อื่นให้ตีเขาก็สสำเร็จเป็นประหารเหมือนกันะจะมาใช้คนอื่นให้ไปตีให้ไปต่อยให้ไปชกให้ไปทาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการให้ประหารเหมือนกันดังจึงควรเทียบด้วยอธินาทรรสิกขาบทในสิกขาบทนี้เยอันนั้นก็การให้ประหารกันหรือให้อ่า ทำลายกันด้วยความโกรธอย่างนั้นอย่างหนึ่งจึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบนะแม้จะไม่ใช่เป็นอาบัติที่หนักก็ตามแต่ว่าพิสูจนั้นเป็นผู้ที่ไม่ควรกระทาการล้วยอย่างกระทําด้วยการทหารอย่างนี้เพราะว่าการทหารนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยธรรมวินยัยตอไปสีข่ขาบทที่ห้าพิสูจนโกรธเนื้อมือหย ด, ดให้ทหารแก่พิสูจอืนอ่นเศร้าบายจิตตี กิริยาได้ประหารด้กิริยาที่เพียงเลื่อมือทํำท่าดังจะให้ประหารเท่านั้นก็ต้องอวบปาจิตีเหมือนกันคือข้อนี้ขีกาบทที่ห้านี้ไม่ได้ทําการประหารมือแท้แต่เป็นการนลื่อมือเประหารเองเช่นโกรธก็อาจจะยกมือกำ ม, มือบอกว่าจะชกจะต่อยแค่นี้ก็เป็นปาจิตีในเลื่อมือเพื่อจะประหาร น่ะ เ, เป็นเป็นป่าจิตถแล้วยังไม่ทําอะไรเลยเพียงแต่นเงนื่มมือทั้นั้นเองน่ะก็เป็นอบัติห น, นกิริยาที่เป็นไปโดยปกติจะเป็น อ, อ, อนานันติกาได้อยู่เพราะว่าการเงื่อมือเป็นไปด้วยกําลังโกรธไม่ปกติจะต้องทํำเองอย่างการเริ่มมือที่ตนเองนี่ก็ก็เป็นอบัติเหมือนกันแต่ว่าในคํำพูดที่ทางแกว่าเ้าผู้คนอื่นเข้ามาเบียดเบียนปรารถนาจะพ้นให้ประหารก็ดี เออเนื้อเลือดเนื้อมือก็ดีไม่เป็นอ ბ ัตกริยานี้เอ่อเรียกในบัตรนี้ว่าต่อสู้เพื่อจะป้องกันตัวหมายความว่าถ้าเกิดมีใครจะมาทำร้ายมีใครจะมาทําอย่างใดอย่างหนึ่งกขบิณจะยกมือเนื้อมือขึ้นเพื่อป้องกันตัวอย่างนี้ท่านบอกว่าไม่เป็นอ ბ ัดก็คือว่ายกมือป้องกันอไม่ให้เขามาทําร้ายอันนี้ไม่ไม่ถึงกขบ็นอ ბ ัตแต่ถ้าไม่เช่นนั้น โกรก็ยกมือขึ้นอแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นด้วยเท้าด้วยมือหรือะไรก็แล้วแต่อแต่ในที่นี้เราเนื้อมือบุให้ประหารนะถ้าเราเนื้อย่างอื่นจะเป็นอับัดหรือไม่ถ้าหากเราพูดโดยอนารมณ์นะก็น่าจะเป็นอับัตเหมือนกันหน้าที่เหนือนอกจากมือะก็คงจะเป็นอับัดเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่ได้กล่าวในที่นี้ไม่กล่าวว้าเาะเนื้อมือเท่านั้นแล้วสมัยประหารที่ประหารด้วยอะไรก็ได้ก็จัดว่าเป็นเป็นการกระทําในลักษณะที่ไม่ควรเหมือนกัน ก็เป็นอบัตนี่สีขาบทที่ห้าสีขาบทต่อไปก็สีขาบทที่หกที่เคอโจทย์ฟ้องที่คนอ่นด้วยอบัตลักษณพิเศษไม่มีมูลต้องปราจิตีแต่ลักษณะแห่งอาบัติในสีขาบทนี้การโจทย์ด้วยอบัตลักษณพิเศษมีมูลก็อนันโนโจทย์อบัตประชิกน่าจะปรับอบัตตัวรุ่จ่าแต่ว่าพ็มีสีถาบทนี่นี้จึงต้องปรับอบัตปราจิตี เมีในสิขาบทที Bangkok, ่เกี baskets, stroke, ่ยวกับเรื่องของความของการโจดในศิขาบทที <lane> ่แปด่ิ <istic> ้าบทที่เก้าแห่งสังขารที่เศรษแต่ศิขาบทที่แปดแห่งสังขารทเศรษนั้นพิสุโกรธเคืองแกล้งโจทพิสุอื่นด้วยบัตรปาราชิกไม่มีมูลต้องสังคารทเศรษฐ์ิาบทที่เก้าแห่งสังขารที่เศรษฐ์บอกว่าพิสุโกรธเคืองอ่าก็หาเล่ห์โจทพิสุกอื่นด้วยบาตรปาราชิกต้องสัง ลงมาเป็นอบัตสังขารทิเศตเรื่องคาว่าไม่มีไม่มีมูลนั้นหมายความว่าอย่างไรไม่มีมูลนั้นก็คือเรื่องที่ไม่เป็นความจริงคือเรื่องที่ไม่ได้เห็นเองไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งมาบอกและก็ไม่ได้รังเกียดโดยอาการคือคาว่าไม่ได้รังเกียจโดยอาการนั้นก็คือว่าพิสูนั้นไม่มีการประพฤติอะไรที่น่าสังเกีจ แต่เพื่อต้องการที่จะให้เขาเคลื่อนจากภูมิจันทร์ก็ไปไ ป, ไ, ปไปไปโจทย์เท่านั้นเองในปาริชิกแต่ในสีขาบทที่อหกแห่งธรร้ิกว่านั้นไม่ประสงค์ที่จะให้เขาเคลื่อนจากภูมิจันร์แต่ประสงค์ให้เขาได้รับโทษในทางพระวินัยที่สูงขึ้นซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของความจริงเหมือนกันี mm ่ hmm. เรื่องว่าไม่มีมูลโจทย์ว่าท่านเป็นนบัตสังฆาลิเศษ แต่มันชเรื่งจริงก็ไปกล่าวโจทย์เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับฐานะเป็นพิสุก็ทั้งก็ปราบอวบปาจิตตีเนะราอวบปาจิตตีหมายถึงเรื่องจริงแต่ถ้าเรื่องจริงก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องอวบอะไรเนตะสีขาหมดต่อไปสีขาหมดที่เจ็ดพิสุกล้งก่อความลาคาญให้เกิดแก่พิสุอื่นต้องปาจิตตี การลักษณะแห่งอับัตในในสิศขาบทนี้บอกว่าที่สุผู่ไม่ตั้งอยู่ในสังบวีนคือหมายถึ ง, งไม่สังเวนนั่นเองนู่นแต่ความสนุกไม่มตถึงความทุกข์ของเพื่อนด้วยกันเก็บเอาเรื่องเช่นนี้เข้าไปพูดให้ฟังท่านป ร, รับอับัตฝ่ายจิตตีคือไม่ได้แกล้งจะกหกความรำคาญพูดแนะนำตามเหตุเช่นอุปสมบท มายุพอบุดบ so ิและให้ท so ําเสียให้มั่นเป็นต้นไม่เป็นอันบาปอันนี้ก็หมายความว่าอพิสูจน์เนี่ยก็ความําค้าให้แกพิสูจนอื่นนะก็ความให้ําค้าให้แกพิสูจอื่นก็เช่นเห็นพิสูจอื่นเนี่ยหวดมามีอายุเอ่อมีอายุบุดบิดคำว่าบุดบิดนั้นก็คือว่ามีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์แล้ก็เข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาตามหลักก็ทําได้แต่พิสูจน์นี้ไปแกล้งพูดให้ เพื่อนที่บวชอายุบริบูรณ์เต็มบริบูรณ์นั้นว่าท่านบวชมาอายุไม่ครบหรืออายุอ่อนเนี่ยควรจะอุทิศห ม, มดใหม่คือตั้งใจจะพูดแกล้งอย่างนั้นให้เขาดูเข้าลังคาเอย่างนี้น่เป็นปาจิตตีแต่ไราเห็นว่าอาท่านบวชอายุย่อนกว่า20ปีไม่ไม่เต็ไม่บริบูรณ์ไปแนะนําต่คืนมันท่านควรจะบวชใหม่เลืยกว า, ปางปาถนาดีอันนี้ไม่เป็นอันบัตรไม่เป็นอันบัตรอะไร ดังอันนี้ก็ต้องสัมรูนมามระหังเหมือนกันไม่แกล้งไปพูดมันคือพูดเป็นบทเข้ามายัางไมไ่ศึกษาพระธรรมวินัยดีก็อาจจะเกิดสนตกตกอ ก, ก, กตกใจเอ้ใะบวดมาไม่ถูกต้องหรือจะเป็นค่าอะไรมันก็จะเกิดความวุ่นวายด้านจิตใจขึ้นมานั่นก็ทางที่ดีที่ชอบเราก็ควรที่จะอพูดในทางที่มันเป็นประโยชน์แก่อ่ผู้ฟังเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง เ, เห็นว่าไม่ไม่สมมติมันก็บอกเพื่อจะให้ ว่าอุปสมบทใหม่ในหมวทใหม่ที่จะสมบูรยิ่งขึ้นอันนี้มีเหตุอานมาอะไรก็เนการถูกต้องแต่ต่อไปสิท้าบทที่แปดว่าเมื่อพิสูจน์วิวาดกันอยู่พิสุไปแอบฟังความเพื่อจะรู้ว่าเขาว่าอะไรตนหรือพวกของตนต้องปายจิตติเหตุทรงบัญญัติในสิทาบทนี้ก็คือยิงยาที่แอบฟังความนั้นอในด้านทางโลกเขาก็ถือว่าเป็นการกระทำที่เลวทราม แที่สุดจนคนสอดแนมพับจ้างซึ่ความนับของคนทั้งหลายถึงต้องใช้กันอยู่เขาก็ไม่นิยมว่าเป็นคนดีไม่มี ใ, ใครจะไว้ใจคนเช่นนั้นอาพัาสานาทรงเร็งเห็นเหตุเช่นนี้เลจึงได้บัญญัติสิทธาบท้ขึ้นเพื่อป้องกันไว้ไม่ได้มม่หวายจะแอบฟังในการไเมินไปในทางที่เขานั่งพูดกันอยู่แลวก็รูงว่าเป็นความลึกลับเขาปิด นะหมายถึงว่าเขาปิดตนให้กระองพระแอนหรือไอเพื่อเขาจะได้รู้ว่าตนผ่านไปทางนั้นมีกระว่าจะจับที่สุะพุทธอนาจารย์แอบฟังเธอนั่งพูดคุกับผู้หญิงสองต่อสองอไม่เป็นอับบัตอะไรสุดท้าหมดนี้ก็คื อ, อพิ่สุมีการพระอุวากันโยและเราไปแอบฟังเพื่อจะรู้ว่าเขาจะว่าอะไรตนยางนี้กระทบอบบัต เห็นคนอื่นเขาท่านเล่าว่า้วก็ไปแอบฟังมาว่าเอ๊ะว่าอะไรเราหรือเปล่ามีเรื่องเราจะไเกี่ยวข้องหรือเปล่าอะไรแต่ไหนนี่ไปแอบฟังลักษณะที่แอบฟังนั้นถือว่าเป็นเรื่องเดรัมนะไม่เหมาะสมในการที่จะถามเช่นนั้นการทําเปนการทําเข้าเนี่เป็นอุปสรรคที่ดีในการที่จะไปแอบฟังเรื่ราวที่เขาจะว่าอะไรทีนี้แอบเข้ามาว่าเรื่องที่ไม่เป็นอุปสรรคก็หมายควาว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะไปแอบฟังอย่างนั้นเมื่เราเดินไปผ่านที่เขากําลัง ทะเลาะว่ากันอยู่ก็ได้ยินเสียงอย่างนี้ก็ไม่เป็นอันบัตอะไรหรือเรามีหน้าที่ในการที่จะ อ, อทําอย่างไรในการที่จะให้เพื่อนสัตว์ธรรมิกที่อยู่ร่วมกันเป็นไปดีกว่าเรียบร้อยและก็เพื่อจะจับความประพฤติของวิสุเรื่องปใดรูปหนึ่งที่เป็นไปนทางไม่ดีไม่งามไละแอบฟังเพื่อจะได้ข้ อ, เ, อ, อเรื่องราวต่างๆนั้นอย่างไรในการที่จะ อ, อ จากพิสูจน์รูปใดรูปหนึ่งอย่างนี้ท่านว่าไม่เป็นอบัตเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะต้องกําจัดพิสูจนผู้กระพื่อไม่ดีไม่งามนั้นนั่นก็ทําได้ถ้าไปแอบฟังเขาเพื่อจะไม่รู้ว่าเขากระเพื่อเขาพูดอะไรหรือเขาจะว่าตนอย่างไรนั้นอันนี้เป็นป่าจิตตีนะเป็นป่าจิตตีนั่นต้องมามาระมัดระวังทราบแล้วควรสิข้าวบทที่เก้าว่าพิสูจให้ฉันทะคือความยอมให้ทําสัง ก, ร, กรรมที่เป็นธรรมแล้ว ภายหลังกลาบติเตียนสงฆ์ผู้ทำกรรมนั้นต้องฝายจิตตอวิธีทําสังฆกรรมนั้นอกรรมอันสงจะฝืงทําต้องทํา้วยความร่ำเริงกันวิสุทธิในเขตชุมนุมซึ่งเรียกว่าสี ม, มาย่อมมีจิตที่จะเข้ามาชมได้อถ้าเว้นวิสุบางรูปเสียหรือไม่ขอฉันทะของเธอไปทํากิจนั้นกรรมนั้นก็ใช้ไม่ได้ทั้งที่ครับวันนี้กล่าวถึงวิสุทให้ฉันทะอย่างนั้นแล้ว ภายหลังทู้ว่าสองทำไม่ถูกใจตนและบ่นว่าถ้ากรรมนั้นเห็นธรรมต้องฝ่ายสจตีถ้าไม่เป็นธรรมบ่นว่าไม่เป็นอบัตอะไรอันนี้นก็เป็นเรื่องของศัลยกรรมเมื่อเราอยู่ในสีมาเดียวกันเนี่ยอ่าจะทําสัลยกรรมก็จะต้องอพร้อมเพียนกันทํำในสีมานั้นระชุมในเขตนั้นด้วย้องเพียงกันารถ้าเขาเกิดไปพร้องเพียงกันไม่ได้โดยที่พิสูจน์โดยรุ่น อ, อมีภาระสําคัญทั้นเดือไม่จึงเก็บไข้โดยป่วยเปต้นก็จะต้องมอบสันทะคือให้สันทะไปก่อนให้ฉันทะ ใ, ให้สงธรรมได้อย่างนี้จึงจะทํากรรมนั้นได้ถ้าไม่ให้สันทะทําทไม่ได้ที่ว่าเป็นการทํากรรมเป็นวักกรรมนั้นใช้ไม่ได้ น, นในสิ่งคำว่าให้สันทะแล้วให้สงธรรมแล้วแต่ว่าภายหลังกลับติย่อมสงหรบนว่าอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้แหละเป็นป่าจิตติ น, นะคือให้ โดยชอบทำแล้วกลับมาทํำสืบเปียนที่หลังเนี่ยนะจึิงๆต้องปรับระเบียบในสุดท้ายบทนี้ในสีดท้ายบทที่สีปวาเมื่อสองกำลังประชุมการตัดสินข้อความข้อหนึ่งพิจารณาอยู่ในที่ประชุมนั้นจะลุยไปในขณะที่ตัดสินข้อนั้นยังไม่เสร็จไม่หให้ฉันทะลุกไปเสียต้องไปจิตใจอันนี้ก็หมายความในขณะที่กําลังประชุมตัดสินนัิกรุ่นในรุ่นหนึ่งอยู่พิสูอน์เกิดลุกไปเสียจากที่นั้นโดยไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตหรือไม่ได้ให้ฉันทะ ไม่ได้โมกฉันทะเนี่ยเป็นฝ่ายจิตใมีธรรมดาการประชุมอะไรตักสินอาไหรก็ต้องอยู่จนกว่าจะเสร็จเรื่องหรือมีธุระเรื่อง ก, ก็ต้องบอกถึงจะใช้ได้เนี่อันนี้ข้อยกเว้นในไม่ต้องมาดในกิริยาบทนึกขึ้นมาว่าเห็นสังฆกรรมทาให้เป็นขำก็ดีเห็ว่าจะเกิดมิวาา่ากันขึ้นคดีรือมีกิจที่จะเป็นจําเป็นอย่างอื่นๆหรือไปเสียไม่มีโทษอันนี้ก็หมายถงว่าเ ม, มื่อมีความจะเป็นจริงนั้นจะเลีกไปก็ไม่มีโทษอะไร อันสุ้ายบทที่สิเรตว่าพิสูจ ร, ร้อวามเชื่องกับสงให้จีนวนเป็นประเมตแก่ผู้โดรูปในรูปหนึ่งแลนะภายหลังกับปีเตีนอันพสูจอื่นว่าให้เขาเห็นแ ก, นก่น่ากันต้องฝ่ายเจตีอันนี้ก็หมายถึงพอสูจนุที่ได้ทําผิดทาหน้าที่สงดีในการได้รับรางวัลจากสงสงให้โดยถูกต้องแล้วแต่ว่าพิสูจน์อื่นบางรกษเห็นว่าเอ๊ะท่านให้จะเห็นแก่น่าแล้วบ่นว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้เป็นป่ายิจตีนะ วัตถุแห่งอามาตถ์ในสิขาบทกล่าวถึงวิชีบอท่านจึงแก่ว่าให้บริ์ารอื่นแล้วบ่นว่าต้องถูกกฏใ น, นท่านมีทิพย์พังว่าบน่าบนว่าพิโสพูเนี่ยครับสมมติต้องไปจิตติพิโสูเนี่ยน้ครับสมมติและรัฐําลต่องถูกกดสิขาบทที่สิบสองว่าที่จรู้อยู่น้อมลาบที่เขาตั้งใจจะถวายสงฆ์เพื่อบุคคลต้องไปจิตีอันนี้หมายควาว่าลาบได้แก่และปัจจัยสี่ที่เขาจะถวายสงฆ์และก็น้อมมาเพื่อ มือคนหนึ่งทีคจเดี้วยแ่ตร่วมหนึ่งไี้เป็นอวบป่าจิตตีอันนี้ก็เป็นาสตรางวิคราะห์ทั้งศิกษาบทซึ่งก็คิดว่าท่านที่กำลังศึกษายูก็คงจะเข้าใจนำหรับในวันนี้เวลาก็สึ่งจุดจิตติลงแล้วก็ขอความสุขสวัสดีจงมือแดดเพื่อนหาธุทุกทุกท่านทุกทุกคนเทอเน